Book two. C. Chettri. Tiri. School. We are at school. We are at school. เรากำลังเรียนหนังสือ m o n, n s i n o d a r b ī b a s นั่นคือนักเรียน Ti e s k o l ē น i นั่นคือคุณครู d s k o l o t ā j a นั่นคือชั้นเรียน Da l a s s e เรากำลังทำอะไรอยู่ คู่เสเดรัมเรากำลังเรียนหนังสือเมสมาซามสเรากำลังเรียนภาษาเมสมาซามิสวาโลดูผมเรียนภาษาอังกฤษเอสมาร์สอังกฤษวาโลดูคุณเรียนภาษาสเปน เขาเรียนภาษาเยอรมัน w e i er n s ā c h m a t z в а ч ы в а л у เราเรียนภาษาฝรั่งเศส m a i s m a t z m i s f r a n c c h ы в а л พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน y o u s m a t z t i s i t a l y ч ы в а л у д у พวกเขาเรียนภาษารัสเซียการเรียนภาษานั้นน่าสนใจเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Mēs gribam runāt ar cilvēkiem.